ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبيه ومسافاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين و, ص و ا الط الط ص ح ب ب ا ب ه الغر الميمين ا ومن تبعهم ب ح س ا ن لقوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อาที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคเชือ ในพระอำนาจของ Allah س ب ح ا ن ะในพระดิานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันเป็นภูมิหลังของการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมีศักดิ์ศรีไม่กลัวใครไม่เกรงใครนอกจาก Allah หน่นหวยรวมคำสั่งคำบัญชาของอโมจะเหนือทุกคำสั่งทุกคำบัญชาของคนอื่นแม้ว่าคนอื่นนั้นจะมีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนก็จะไม่เท่ากับอำนาจของอโมสุบฮานะอัลลอที่จริงความเชื่อนี่มันซึมซับอยู่ ในหัวใจของผู้ศรัทธาโดยปริยายการที่เรากล่าวเพียงกล่าวบิสมิลลาฮิรรามานุลไรฮินี่ก็เป็นการยอมรับในอำนาจของ a า l a h ว่าเ่อบิสมิลลาดังที่อุลามาหลท่านเดทที่บายก็หมายถึงว่าเริ่มต้นด้วยอำนาจสังเกตคําสั่งของ ขาราชการจะระดับไหนก็ตามนะอาศัยอำนาจต้องมีนะไม่มีไม่มีถ้าไม่มีตัวนี้เขาก็มีมีสิทธิ์อะไรมาสั่งมาสั่งฉันมีอำนาจอะไรจะจะมาสั่งฉันอาศัยอำนาจนั้นตามกฎหมายนะถ้ามีอำนาจตามกฎหมายแล้วนี่เอาสั่งตามกฎหมายได้เลย ทุกคนที่ยอมรับในกฎหมายนั้นก็ต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติก็ถือว่าฝืนกฎหมายเป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานยุรราะหิมหมยถึเราเริ่มต้นอาศัยอำนาจของ a l l a มุสลิมเชื่อว่าไม่ไม่สามารถทําอะไรได้ ถ้าไม่มีอํานาจ AH ของอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى มาช่วยนี่เป็นข้อแท้จริงไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะเป็นข้อแท้จริงจะขยับมือขยับนิ้วจะขยับาตาของเราหรือจะกระดิกนิ้วต้องอาศัยอนุญาตจากอ AH ัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็ต้องเกิดด้วยอนุญาตจากอ AH ัลลอฮฺ سبحانه รวมถึงการกินด้วยการรับประทานอาหารเราจึงต้องกล่าวบิสมิลลาและในบันทึกของอิมามมุสลิมนบีได้บอกว่าเราพอพระทัยแล้วถ้ามนุษย์ได้เริ่มรับประทานอาหารด้วยบิสมิลลาและก็เลิกรับประทานอาหารด้วยอัลฮัมดุลิลลัห์เพราะอะไรเพราะเริ่มรับประทานอาหารนั่นหมายรวมว่ามุสลิมเชื่อผู้ศรัทธานิเชื่อ หรือมนุษย์ที่ใช้คําเนี้บิสมิลลาห์นี่ว่กินนี่เขบิสมิลลาห์นี่เชื่อว่าอาหารนี่มาเพราะอํานาจของอัลลอฮ์และที่เราสามารถกินได้นีก็ด้วยอํานาจของอัลลอฮ์แล้วพอกินแล้วที่เราอิ่มนี่นะก็ด้วยอํานาจด้วยอนุญาตจากอัลลอฮ์เราจึงขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงพอพัฒนาอยก็เราพอพัฒนาแล้วเดี๋ยวเรื่องเล็กนิดเดียวนะ เราเร่มกินกอบิสมิลลาอลลกินเสร็จแล้วกำอัลฮัมดุลลาห์เเร่อนี้ตีาลแต่มันเต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى จะพอพิทายต่อพวกเราและนั้นมันมันบ่งชี้ว่าสิ่งที่อัลลอ ต้องการจากรานีมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรามากมายศูนย์รวมของข้อปฏิบัติตา่างๆที่ยอยู่ในคาสั่งทั้งหลายนี่นะมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยมีมีความศรัทธามีความเชื่อในพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุฮาห์นโาละรืไม่เพียงแค่นี้เชื่อจริงไหมอินนัลอิซตะลิลลาฮิจามีฮะจริง อำนาจทั้งปวงทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ถ้าเชื่อแบบนั้นก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจยอะไรจะเกิดกับเราเรานี้ก็ไม่ต้องเสียใจยอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์ س ب ح น ن ه และ تعالى สิ่งที่กุรานจะมาสอนนี่แสดงว่าในยุคที่กุรานถูกประทานลงมาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันถูกบิดเบือน ในความเชื่อของผู้คนอา่สนแสดงว่ามีคนเขายัางเชื่อว่าอำนาจทั้งมวลไม่ใช่ของ Allah มีมีมีหุ้นส่วนอำนาจในผู้อื่นนี่มีหุ้นส่วนนี่งงคือชุรกะพาคีต่างๆที่พวกมุชริกในในยุคนั้นได้อุปโลกขึ้นมา แล้วก็แบ่งให้เขามีหุ้นส่วนในบรรดาอำนาจทั้งหลายแม้ว่าในคาบสมุทรอาหรับที่มีชาวอาหรับได้อุปโลกบรรดาจเจวิตหรือสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์หรือจะเป็นเชื้อชาติอื่นที่อาหรับนี้เคารพอิทธิพลเช่นโรมันโรมันนี่ก็รับอิทธิพลจากกรีกซนะหรือเปอร์เซียหรืออินเดียหรือจีน ซึ่งอิทธิพลด้านความเชื่อจากอรารยธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องพาคีเนี่ยเป็นสาระภาคีอื่นจากพระเจ้าวันะเป็นสาระหลักในความเชื่อมีมีอะไรที่พึ่งพาได้อื่นจากกันหรอกถ้าจะขอฝนเนี่ยจะเวทตัวนี้ถ้าอยากจะแต่งงานจะมีคู่รักเนี่ย ขอจากจาวเวตตัวนี้จาวเวตแห่งความรักมีหมดและของเปอร์เซียก็มีของอินเดียก็มีของของโรมันพวกกรีซก็มีอียิปต์ก็มีซึ่งอียิปเป็นอรารยธรรมที่ใกล้ข้าสมุทรอันดับมากถึงขนาดที่นักประวัติศาสตร์บางท่านนี่บอกว่าเชื้อชาติของอียิปต์เนี่ยดั้งเดิมนะ มาจากคาบสมุทรอะไรในป่อวัติศาส์าสาบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเชื้อชาติหลักๆในแอฟริกาตอนเหนือนี่มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มอียิปต์โ บ, บราณนะอียิปต์ดัง้งเดิมนะแล้วก็กลุ่ม <c oughs> แล้วก็กลุ่มบร์เบร์บอร์บอร์นี่ก็เป็นเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ทางแอฟริกาตอนเหนือเสียงตะวันตก ตั้งแต่ลิเบียเป็นต้นจะมีพวกเบอร์บร์เขาบอกว่าพวกนี้นี่มาจากคาบส ม, มุทรอาหรับทั้งนั้นและคาบส ม, มุทรอาหรับนี่มีเรื่องชิริกก็คือเรื่องพาคกีเนี่ยมีนต่ไห น, ต, ไหนตั้งแต่ส ม, มัยอาหรับโบราณอาหรับที่เขาศูญพันธุ์ไปแล้วนี่อย่างเช่นส ม, มุทอารดกลุ่มชนอาหรับดังเดิม ที่ศูนพันไปแล้วนะเขาก็มีเรื่องเจวิตเรื่องชิริกแล้วก็บรรดานับีที่มาอย่างนบีซอนเนี่อย่างอบีฮูดเขาก็มาเผยแพร่เรื่องเรื่องการละทิง้งเรื่องชิริกเรื่องพากีที่จริงมันมีก่อนหน้านี้แหละตั้งแต่ตตสมัยอับดุลเบีนูฮ์และกลุ่มเชื้อชาติอาหรับที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนี้ก็เป็นลูกหลานของนบดีนูฮ์นแหละ สดงาเรื่องชริกมีตั้งเดดบอบ่เขาบอกว่าเริ่มมีชีริกนี่ในรุ่นที่สิของบรดาลูกหลานนบอาดมเพว่าตั้งแต่นบีอาดัมแล้วก็สิบรุ่นมาเนี่ยน e ไม่มีชีริกจนพ้นไปสสบรุ่นแล้วเริ่มเริ่มมีริกิันแสงว่าเรื่อง ชีรคกือเรื่องบิดเบือนศาสนานี่มันไม่ได้มาปั๊ปหนึ่งปั๊ปหนึ่งแล้วจะมาใหม่มันจะมาค่อยๆมาการเปลี่ยนแปลงศาสนานี่มันจะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปและส่วนมากนี่มันก็จะมาจากเจ้าของศาสนานั่นแหละการบิดเบือนศาสนานะมันจะไม่ไม่มาจากคนต่างศาสนามันต้องมันต้องเกิดจาก เจ้าของเ จ, จ้าของศาสนาเองสถาปนาอะไรมาเป็นเป็นเรื่องของศาสนานี่ต้องมาจากเจ้าตัวก็แ <c oughs> <c oughs> สดงว่าตอนนั้นนะอาหรับเขาก็ยังมีคนเชื่อว่าไม่ใช่อํานาจทั้งปวงทั้งมวลเป็นของอัลลอ์มีบางอานาจเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านี่มีพาคีประเด็นอยู่ที่ว่า อา랍นี่ส่วนมากนี่เขาเชื่อว่าทีอัลลอฮ์มีพาทีนี่นะให้ผู้อื่นนี่มีหุ้นส่วนนี่อันนี้เป็นดําริของอัลลอ์อันนี้เรื่องที่แย่ที่สุดเรื่องที่แย่ที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองที่คิดมาแล้วก็อุปโลกมาและสารภาพซะว่า น, นี่กูทำเองกูคิดเองเออไม่ใช่นี่ทำไม อัลลาดอัลอุซะมนาต ثالث อัลอัครนีบดาเวนี้อัมจักนอลลอัลลอฮังวยแล้วที่จริงเนี่ยอัลลอฮ์ก็เป็นเป้าหมายด้วยในการบูชาเจวัเหล่านี้มะนาบูดูฮฺอิลลัลลิุคัริบูนอิลลอห์ุดเราไม่อิบะดามันนอกจากว่าจะให้อบะดมันเพื่อให้มันเนี่ยนาเราไปอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ากับอัลลอ์อ้งอัลลอฮ ในเรื่องการชริกนี่นะการตั้งภาคีและกัสักการะต่อภาคีนี่นะอ้างอัลลอฮฺประการบางท่านเนี่ยจึงบอกว่าชริกการตั้งภาคีในยุคนั้นนะ่ะเป็นการตั้งภาคีที่ไรเหตุผลอย่างสิ้นเชิงเพราะชริกในในที่ไหนมันก็ชริกเหมือนกันนะอย่างเช่นริกของโปกโรมันของคริสตอย่างเนี้ยเขาจะไม่พูดชัด ว่าพระเจ้าเป็นผู้สั่งพระเจ้าเป็นผู้บัญชาไว้ให้ทำแบบนี้แต่นี่ปัญหานี่ของของชาวอาหรับเนี่ยพรฉะนะอุลามาเนได้ตั้งคำถามว่านี่ใช่หรือเปล่าเหตุผลว่าอัลลอฮฺสุบไพร์รวาาแล้ให้นบีท่านสุดท้ายเนี่ยต้องมาจากกลุ่มอาหรับเนี่ยเพราะอะไรเพราะความเชื่อที่แย่ที่สุดในโลกนะ อยู่ที่นั่นพฤติกรรมที่แย่ที่สุดนนั้นอยู่ที่นั่นถ้าทรงนบีและประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนะแสดงว่าความเชื่ออื่นๆที่อยู่ในโลกนีนะ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันจะมีอะไรแย่กว่าความเชื่อที่ถูกเบิดเบือนะแล้วก็ยังจะมาอ้างว่าความเชื่อเนี้ยมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นคาว่า อินนลอิเซเตลิลล่าอำนาทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮ์นี่มันไม่ใช่ประโยคสั้นๆที่แบบว่ามีความหมายง่ายๆที่กล่าวได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะมันจะจบสิ้นนะไม่ใช่มันเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งของวิถีชีวิตมุสลิมว่าจะต้องเชื่อ ในชีวิตนี้ต้องเชื่อไม่มีใครจะมีอํานาจเหนืกอกว่าอํานาจของ a l l ุ h Subhanahu Watah ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอํานาจจริงนะ น, นะอำนาจนั้นต้องมาสยบที่อํานาจของ Allah s า b h a n a h u Watah แบบนี้เนี่ยสามารถต้านเชืริกต้านบิดเบือนเรื่องบิดเบือนเรื่อ ง, อองมุตตะริกกรมเนี่ต้านได้หมดเลยเชื่อตรงนี้ก่อนเชื่อตรงนี้ให้ให้ชัดก่อน แม้กระทั่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในในในยุคยุคที่หลังเนี่ยเรื่องเชื่อฟังผู้รู้มากกว่าที่จะเชื่อฟังกุรานละฮะดีส่งท่านนาบีซัลลัลลอฮฺโดยอ้างว่าผู้รู้นี่นะเขารู้หมดนะกุร آن, านละดีสิเขารู้หมดแหละฉะนั้นเราต้องตามผู้รู้อย่างเดียวเราต้องตามมัสฮับตามอิหมามอย่างเดียว โดยปราศจากหลักฐานคนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเรานี่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหลักฐานถ้าไมอ่ะสมองเราเนี่ยไม่พร้อมอันนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนพูดนะไม่ใช่ผมเป็นคนด่าน ะ, ะพวกมัสยับในยุคหลังเนี่ยเขาบอกว่าอ่านกุรอ่านเนี่ยอ่านกุษนอ่านอ่านไบุคอารีนี่นะเพื่อบารากัดเอง อ่านจะได้ว so, so, so hm so, so ิน so, uh ิจัยจะได้ไขครววจะได้ดูวะในกุรอานนี้มีอะไรนะฮะดีจะมีอะไรมิมีสิทธิ์มีสิทธิ์ทำไมอ่ะถึงขนาดที่พวกมัสยิดนี่ในรุ่นหลังเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อ่านกุรอานตั้งใจที่จะเข้าใจกุรอานด้วยตัวเองนะนะอาจจะตกศาสนาตกศาสนานี่เป็นกาฟิรเลยทําไม่ะ เขาบอกว่าถ้าเข้าใจกุตตานผิดเพี้ยนแบบนี้นมันอาจจะทําให้เราได้บิดเบือนศาสนาบิดเบือนกุตตานตกศาสนาไปเลยเอาแล้วต้องทํำยังไงอ่ะถ้าจะเข้าใจกุตตานเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัยผู้รู้อย่างเดียวหมายถึงว่าฟังผู้รู้เนี่ยแปลให้และที่ผู้รู้นี่ว่ามาอันนั้นนั้นเนีที่ผู้รู้พูดในอันนั้นนะ่ะที่เราจะเอามาใช้ แต่ก่อนนูนบ้านเราอะนะบ้านเรานี่ในในในใ น, ในกรุงเทพแล้วก็รอบๆอบเนี่ยเวลาชาวบ้านนี่ยเขาไปฟังบรรยายเนี่ยเขาไม่พูดนะว่าไปฟังบรรยายนะเขาจะบอกว่าไปฟังแปลฟังแปลผมเคยไปแถวแถวอันดาแมนนี่ยนะวิธีแปลนี่ก็คืออ่านกีตา้านี่นะตรงกีตา้มามลายูนะ อ่านครึ่งชั่วอ่านอย่างเดียวแล้วก็คนที่นั่งนี่นะก็เหมือนเขาอ่านคุตัานน่นะแล้วมันอะไรยูที่เขาอ่านนี่นะก็คือคําอธิบายอะ่ะเป็นคําแปลมันแต่เขาอ่านอ่านเสมือนเป็นคุตั้นเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วนะอ่านเสร็จแล้วฟังฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องพอฟังเสร็จแล้วนะอ่ะนะอ่าต๊ะครูนี่ก็จะแปลเป็นไทยละอธิบายเป็นไทยละว่าไอที่อุลามาเขาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นยังง ฟังตั้งใจฟังดูเขาและกูอ่านเขาอ่านไหมเขาไม่ได้อ่านอ่านให้ชาวบ้านเพราะไม่ได้อ่านเพราะมีประโยชน์หรอกจะอ่านให้ชาวบ้านนี่กูอ่านให้ชาวบ้านนี่ได้ตรตรองด้วยตัวเองจัดตัวบทอย่างที่เราทําอย่างเงี้ยเนี่ยสีน้ําเงินนี่ตรงนี้นะกาวนฮุมอินลอิซะตะลอิซะตะเบให้เราได้เข้าถึงตัวบทตามอักษรตามคําศัพท์ แบบนี้ไม่มีคือตั้งแต่อิสลามเข้าประเทศไทยอนะ่ะเข้ามาลายูนี่นะก็ไม่มีแบบนี้เพราะส่วนมากในนะรุ่นหลังในคนดีเป็นผู้รู้เนี่ยเขาเข้าใจอย่างงั้นนะเขาถูกสอนว่าอย่างงั้นและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อรารยธรรมของมุสลิมเนี่ยล้าหลังเพราะเราไม่ได้พัฒนาเราหยุด หยุดที่คำพูดของผู้รู้หยุดที่ข้อวินิจฉัยของผู้รู้นี่คือสุดเลยพอจะทำอะไรจะขยับไปไหนจะพัฒนาอะไรก็ไม่ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีทัศนะรองรับมันทำไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะคนที่เชื่อว่าละหมาดแล้วเนี่ยต้องนุ่งสรงไม่นุ่งสรงนี่บางทัศนะาบอกว่าละหมาดไม่ซอ เป็นที่มาของสรงสำรองเคยเห็นมหมสนามบินยังไงนั้นเพราะมีคนเชื่อแบบนั้นจริงขอให้แต่งตัวไม่ชิดเรียบร้อยกางเกงหลวมก็หลวมเถอะแต่ต้องต้องนุ่งสรงต้องใส่สรงแล้วผมนึกว่เรื่องนี้มาซาบช افي เอี ย, อยงเดียวไม่มัซาับออื่นอย่างมาลีกีนี่มีอาจารย์ผมคนหนึ่งสอนผมที่มัธยม ที่อาซาตนแกจะมาสอนแกใส่เสื้อใสกเกงธรรมดาแต่นี่ก็เป๋านี่จะมีตบหิวโตประยุทชุดหนึ่งเด็กมัธยมนี่มันก็ภาษาของเด็กนะอาจารย์เอาตบตบมาทำไมอาจารย์ก็อธิบายเลยออกเลยอะบอกว่าในภสษาบมาลิกีของเรานี่นุ่งกางเกงในละหมาดมักโร นุ่งกางเกงและหมามากรอเกรงว่าจะไม่ซะอเขต้องต้องสวมเสื้อลุ่มๆ ม, มันเป็นเหตุผลก็จริงแต่ไม่ได้หมาดรวมวาการมกันแล้วหมาจะใช้ไม่ได้แล้วหมาจะใช้ไม่ได้เลยแต่ที่แปลกมากกว่านั้นนะครับว่าในเมื่อเรามีเหตุผลด้านศาสนา ที่สามารถเอามาพัฒนาพัฒนาพัฒนาแฟชั่นของเรากางเกงเนี่เราก็ออกแบบให้มันเข้ากับหลักการสัจไม่เรานี่จะสวมตามแฟชั่นตามเขานะตามเขานะเขาบอกว่าให้แต่งกางเกงยังไงเสื้อต้องเป็นแบบไหนจะหลวมจะรัดจะอะไรนี่อันนี้แล้วแต่เขานะแต่เวลามาทำไอบาด้าเนี่ยเราก็มาทําอะไรที่มันเลือกเธออะไรก็ได้ขอให้มันซอก ท่านั้นแปลกนะครับผมเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมส่วนมากก็เป็นอาหรับนะเขามาละหมาดที่นานาเนี่ยแล้วก็มันมีแฟชั่นมุ่งกางเกงสั้นเหรอกางเกงสั้นใกล้หัวเข่า น, นิดนึงแล้วเขามาละหมาดวันศุกร์ปกติแล้วในมัสยิดเนี่ยเขาก็มีพวกของสำรองเนี่ยสรวงอะไรพวกเนี้ยแต่มันหมดเพราะนักท่องเที่ยวเยอะ หมดทํายังไงอ่ะเพราะที่แกแกรูกูัคือกังเกงอ่ะกังเกงอ่ะมันไม่ถึงหัวเขา่าใช่ปะ่ะแล้วเขาทํำยังไงอ่ะเขาก็เลยดึงกังเกงข้างล่างหน่อยเนี่ยให้ไปดัวเขา่าพอดึงไปข้างล่างนี่พอรูกูัวสูดอยแล้วนี่ไอข้างบนนี่มันมันมันหลุดหมดโป๊หมดพอดึงดึงข้างบนเนี่ยหัวเข่านี่มันก็เอารนาะ ก็เป็นแบบนั้นจนมีคนมาบนมาบอกว่าเชคช่วยช่วยพูดหน่อยนี่ผมอย่ดตีลังกากันในละหมานี่จนคนอยู่ข้างๆนี่กระบาดไม่มีสมาธิเลยก็เพออราะอะไรเพราะเราอยากจะแต่งตัวตามเขาและอยากจะละหมาดต้องละหมาดตามเราใช่แต่เราจะไม่ปรับเนี่ยที่ผมบอกว่าเรามีกุรอ่านเรามีฮะดีสแต่เราไม่ได้เอาฮะดีสกุณอ่านนี่มามาปรับมาพัฒนา จนเขาจะต้องคิดแทนเรานะเขานี่นึกอยากจะให้แฟชั่นปีนี้กางเกงของผู้ชายเนี่ยเนื้อตะตุม่มตามสุนนะแล้วก็หลวมๆด้วยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรัดกุมอ่ะไม่ต้องเขาคิดว่านี่คือแฟชั่นทั่วโลกเนี่ยต้องใส่แบบนี้จะได้เท่มุสลิมที่เข่งศาสนาเขาล็อกเลยกูต้องการอยู่แล้ว นี่แค่เรื่องแต่งกายเนี่ยนะเราไม่ได้พัฒนาชีวิตของเราในเรื่องในเรื่องออกแบบชุดแต่งตัวของเราเนี่ยตามหลกักการศาสนาของเราต้องตามเขาก่อนสแสดงว่าตัวบทนี้มันมีบทบาทอะไรที่จะพัฒนาถุกข์อ่านและฮะดีสนะพัฒนาวิถีชีวิตของเราวิถีชีวิตของเรารวมถึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน มันฟ้องว่าเราเราไม่ได้เอาตัวบทของกุษานอัฮะดีเสมาเปมาเป็นมาเป็นธรรมนูญในชีวิตใครอยากจะเลี้ยงเลี้ยงอาหารนี่โดยที่จะมีการโอ้อวดในการเลี้ยงอ่ะเลี้ยงให้ใหญ่เลี้ยงให้เต็มที่แบบมูบาเซ่เนี่ยแบบฟุ่มเฟือยทาเพราะอะไรเพราะกระแสในสังคมนี่ เราต้องการคนชื่นชมเราต้องการคนบอกโอ้นี่เลี้ยงงานงานช่างเฮ้ยงานน้กาของบางงานช่างอันนี้นึงของชอบแล้วเราแบบยิ่ใครชื่นชมแบบนี้เราชอบงานช่างแต่ไม่มีเชื่อช้างกันนะนแค่บอกว่าช้างเอง อาละก์คุรที่คุณอ า, า, าลาดบดิร์อิอนนนวิรน่กก า, รานืออชายาตพวกมเรนนฟี น, น, นองของตานนี่ตัวบทในกุตันมันควรที่จะเอามาปรับปรุงอะไรหลายอย่างในชีวิตของเรานี่มันไม่มีเพราะคนไม่ได้เข้าถึงตัวบท ด, ด้วยตัวเองคุ่านจึงไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลในการที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราต้องทบทวนนะอ่านกุรานกี่มากน้อยแล้วได้เรียนต afsir มากี่มากน้อยแล้วศึกษากุรานมากกี่มากน้อยแล้วแต่ชีวิตของเรานี่ได้เปลี่ยนแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์นี่เราต้องทบทวน แล้วเราต้องอ่านกุตัานทั้ง100ร้0เรหมายว่าทั้งเล่มเราจะได้เปลี่ยนแปลงร0อซไหมไม่จำเป็นเพราะที่จริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงร้อยอนี่อาจจะอาจจะอาจจะยากหรืออาจจะไม่ได้แต่ชีวิตของเรานี่มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกชีวิตของเราอะนะบางอย่างนี่ปรับตรงนี้แก้ไขตรงนี้หนนี่เป็นมุสลิมสมบูรณ์ละเรียบร้อยละ เราแต่งตัวยังไงพูดยังไงกินยังไงใช้ชีวิตยังไงเล่นยังไงบริโภคอะไรคิดยังไงตั้งเรียนวัเดียสักสิบคาถามนี่นะนี่สิบคาถามสิบข้อนะ่ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วรืองไงบาดานีอย น, นี่ไม่ไม่ด้ยุ่งยากละมาดวันละห้าวคตูถือศีนอดปีละหนึ่งเดือนทำฮัดชีวิตละหนึ่งครั้ง ออกอากาศถ้ามีแต่คนส่วนมากนี่ไม่ค่อยมียิ่งทองขึ้นแบบนี้นะนะคนมีก็ไม่ออกนะมีสามแสนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ออกปรกาศแะ้วอ้าวยังไม่ครบพิกัดยังไม่ครบมีสอบหกหมื่นแล้วหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ไมสามสมันมันไม่ใช่หกบาททวนนะมันหกบาทจย่อนิดนึง ي ى ا ل l a h ได้มาย้ำในอายะต่อมามาย้ำในเรื่องหนึ่งซึ่งอายะแบบนี้ในคุรานมีบ่อยนะเราต้องมาตั้งคาถามว่าทำไม Allah พูดถึงเรื่องนี้บ่อยอะลัยอินนลิลลาฮิมะฟิสส์มะวะตีวะมะฟิลอาร์ดี ố มะยะตบะ ع اللذين دعوون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا ظن و إنهم إلا يخرسون ปนสัต แท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลละฮ์นี่อ้เนี่นี่ผ่านมาเยอะนะในสุรุจูนุสนี่ก็น่าจะสองครั้งละมีเยอะละ้ในกุตอ้นธรรมย้ําเรื่องนี้แหละดูเหมือนว่าในยุคนั้นนะ่ะยังมีคนเชื่อเหมือนกันนะว่าการถือกรรมสิทธิ์การครอบครองอะไรบางอย่างเนี่ย เอาโน้ไม่เกี่ยวนี่เป็นของฉันเองกรรมสิทธิ์การครอบครองทรัพย์สินทั้งหลายนี่นะเจ้าของแท้ๆนี่คือฉันเองและเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคของทุนนิยมที่จะเทิดเกียรติมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นสิทธิเสรีภาพที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเมิดไม่ได้อันนี้คนจะต่อต้านคอมมิวนิสต์ไงคอมมิวนิสต์บอกว่าโอ๊มนุษย์นี่จะครอบครองอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เป็นของสังคมโดยรวมสังคมนิยมทุนนิยมันก็ไม่ได้ทุกคนเนีย่ยครอบครองด้วยตัวเองและของใครของมันนะ่ะของมันเนี่ยหมายถึงว่าของเขาเลยนะใครไปยุ่งเขาไม่ได้รับกขมายุ่งอะไรก็ไม่ได้จึงเกิดความเชื่อ ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันใดเนี่ยนี่นี่เป็นของเราเราสามารถทําอะไรก็ได้รวมถึงศรีระของเราเองเราก็เป็นเจ้าของที่จะทําอะไรกับร่างกายของเราทําอะไรก็ได้เราเกิดมาเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ได้จะเป็นเรื่องเราสัมบัณฑ์ร่างกายของเราใครจะมายุ่งอะ่ะตอนนี้เป็นกระแสแล้วนะทำไมเพราะเขาบอกว่า การเกิดมาเป็นเพศชายเพศหญิงนี่นะเราไม่ได้เลือกเองแต่รสนิยมเจนเด r ร์เจนเร์สนิยมมันเป็นสิ่งที่เราเลือกด้วยตัวเองฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแปลงเพศเปลี่ยนเพศที่เราต้องการเพราะนี่คือสิ่งที่มาจากตัวเราทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเป็นพระเจ้าตัวเล็กๆอยู่ในโลกนี้ พระเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรครอบคลองทุกอย่างครอบตัวเองครอบคลองนะเราตัดสินบริหารจัดการทุกอย่างไม่มีใครมายุ่งกับเราได้นั่นแนหะเนี่ยไอ้ทุนนิยมแบบเนี้มันมีอยู่ในยุคนั้นทาอะไรก็ได้มันก็ต้องย้ําสิกับความคิดแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างใครก็ตามอยู่เนี่ยตรงนี้เนะี่ยใช้มันมันที่สวรรค มันมันเป็นสรรพนามเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตที่มีสติถ้าสิ่งที่ไม่มีสติจะให้คําว่ามาในกุรานก็มีอินนิริแลหิแมฟิสเมาวะแมฟิสเมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะมีชีวิตไม่มีชีวิตนี่ก็มีอายะที่รองรับเป็นของอัลลอฮ์ทั้งสิน้น แ, แม้กระทั่งตัวร่างกายขาใ็ใช่ สศรษีราของเรานี่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอันละเป็นเจ้าของอันละเป็นผู้ครอบครองแม้กระทั่งทรัพย์สินที่อยู่ในมือนี้วันนี้ของใครของผมอุลามานได้บอกว่าผู้รู้ได้บอกว่าการอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยครอบครองเนี่ยในรกดับอิสลามเนี่ยเป็นมาเเยหมายถึงว่าเป็น เป็นนามาทำเราไม่ได้เป็นเจ้าของแท้ๆของบรรดาทรัพย์สินที่อยู่ในโลกนี้ที่ดินแปลงนี้ของใครของผมห้องในคอนโดนี่เป็นของผมบ้านนี้ของใครเนี่ยดูชะโน ด, ดูทะเบียนบ้านนี่ น, น, นของใครสำหรับมุสลิมมาทั้งหมดนี่เนี่ยเราพูด เราพูดตามบริบทบริบทของกฎเกณฑ์ในสังคมซึ่ง Allah อัลลอฮอนุญาตให้เราได้ได้วางบริบทนี้เนี่ยตามความเหมาะสมแต่ความเชื่อลึกๆของมุสลิมทุกคนนะนะั้นเชื่อว่าเจ้าของแท้แทเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของร่างกายของเราเจ้าของสตัง ทุกส่วนทรัพย์สิสนทุกส่วนเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุภาละห์และยิ่งตระหนักในเรื่องนี้ยิ่งตระหนักในเรื่องนี้นี่นะการตัดสินใจที่จะทําอะไรให้สอดคล้องกับพระประสงค์องอัลลอฮ์มันจะง่ายลงและยิ่งเชื่อว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าของจริงเป็นเจ้าของแท้แท้นี่นะยิ่งทําให้ยากมากในการที่จะปฏิบัติกับทรัพย์สินเนี้ยตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ เพราะเราถือว่ามีสิทธิ์ในทรัพย์สินนี้เนี่ยมากกว่าหรอกคนที่เชื่อว่าสะตั้งเป็นของตัวเองนี่ออกสากาศยากสอบกอเหยากยิ่งเชื่อนะว่าเขาเขาเป็นเจ้าของจริงๆคนที่นึกว่าเวลานี่เป็นของตัวเองร่างกายเป็นของตัวเองนี่ยากที่จะละหมาดพอเขาคนนิกว่าเวลานี่ของฉันเองฉันใช้ยังไงก็ได้ตามอิทยาศัย จึงไม่ใช่อายะธรรมดาธรมดาที่เราจะอ่านแล้วก็ถึงทราบเถิดแท้จริง ท, ทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอ์เป็นกรรมส่ว AH. นละก็รู้แล้วรู้แล้วแต่การที่จะเชื่อตามนั้นและปฏิบัติตามนั้นน่ะมันจะมีข้อดแตกต่างเยอะนะครับสำหรับสำหรับคนทั่วไป มันจะส่งผลต่อเรื่องชิริกแท้เชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวตาแหละเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เรื่องชิริกเรื่องการตั้งภารีอัลลอฮฺนี่มันก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอัลลอฮฺจึงตอบโต้คนนี่มาอ้างว่าบรรดาภารีทั้งหลายเนี่ยเขาได้สั่งใช้ให้ทําแบบนี้เพราะ เป็นบัญชาดิมาจาก Allah และก็เลี้ยงตักตูนะว่ามาจะติดตัวทนะีว่นั่งเดือยนจากดูอีชูร่าแก่เขาบอกว่าแ ท, ท้จริงเนี่ยบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นๆจาก Allah นั่นที่เขาตั้งพระกิตั้งชิริกะทำชิริกะนะแล้ววิงวอนดูอาดูอาขอเจวิตร้องขอเจวิตให้ทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านู้น จะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามเขาพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคณนเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้นการคาดคิดของตัวเองนะและพวกเขามิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากคาดคณีขึ้นหมายถึงว่าอัลลอฮ์กำลังยืนยันบอกว่าพวกนี้เนี่ยข้างว่า การตั้งพาคีเชื่อฟังพาคีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอ์ได้สั่งไว้และเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งบรรดาจเจวิตและพาคีนี่เนี่ยเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์และบรรดาพาคีเนี่ยมันบอกเราว่าอัลลอฮ์สั่งไว้แล้วว่าให้ทาแบบนี้เหมือนพวกหมอดูพวกนักเสสาพวกหมอเสนีนเวลาเขาจะทาของน่นะ เขาจะต้องเส้นไหวเส้นไหวถวายยินและเฉยตอนใครเคยสังเกตไหมไอ้ศสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาเขียนมาที่พวกสันนิที่เขาเขียนม า, ท, ท, า, นมาที่ชาวบ้านเขาเรียกกระาซิมัสอ่ะที่เขาเขียนมาทั้งหมดและบางทีในเวลาไปไปหาพวกหมอดูนี่นะเขามีอ่านอัญรณีด้วย มีอ่าจฟาติฮ้าด้วยแล้วมีรอดหรอรอะหรอหมีต้องมีเอ่ยเอารอดด้วยรออเคยสังเกตไหมว่าบางคนนี่หมอดูนี่เป็นต๊วอิหมัามนะมีอยู่คนหนึ่งพัฒนาตัวเองมากนะครับโฆษณารับทำเสน่ผ่านตออกิกต็กเป็นคนแถวนู้นป่ะอ่าีคนภูเก็ตชื่อฮันยีอะไรนะ ใช้มวกเลยนะและก่อนดินกำลังพับอัิมัตนีกำลังเต่ามีอ่านฟาดีห้ามีอ่านอายะกรุสีมีมีอัซุบิลลามนเชอทั้งหมดนี่เพื่ออะไรอาใสยอานาจของอัลลอฮ์ไงมันเหมือนเลยในชีริกในในรุ่นก่อนนี่ทำชีริกทำไมอะก็นนี่เวิตนี่มันบอกว่ र, าพระเจ้าบอกว่าให้ทำแบบนี้ ที่เราทํานีนพิธีอะไรกคำต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคําสั่งของพระเจ้านี่แหละ เ, เ, เราไม่ได้เบีดเบือนอะไรนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นอัลลอฮ์ก็เลยตอบกลับบอกว่าไม่มีมขเขาไม่ได้ปฏิบัติาตามภาคีเลยภาคีก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแน่นอนอักมีแตไ่ไ ม, ม, ม, ม, ม้มีแต่โลหะมีแต่อิมพัลมอิมพัลมที่ปั้นขึ้นมาเป็นรูปเป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยมันจะพูดยังไงอะ มันเอาความคิดส่วนตัวอุปโลขึ้นมาเป็นนิทานเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วมาบอกกับชาวบ้านนี่นะพระเจ้าสั่งฉันเราจะเห็นว่าศสยศาสตร์นี่อาซีมันเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยสังเกตนะมีอัลลอฮ์มีมุฮัมมัดมีอบูบัคด้วยนะอบูบัครูมารุสมานะเคยสังเกตไหมมีคาลีฟาทั้งสี่ด้วยนะถ้าเป็นพวกหมอดูแถวเชียร์นี่มีอาลีด้วยอาลีแอบมีอาลีด้วย อิฮัสันฮูเซนน่ยนะทำไมเอ่ยเพระฮัสันฮูเซนนี่เขไม่ได้นะเรื่องพลาดไม่ได้นะฮัสันเล่าเซนชีวิตนี่ก็เพื่อฮุเซนอย่างเดียวนะไม่มีฮุเซนในเจ้งเลยนะของไม่แท้ก็ต้องมีหมดแล้วก็ถ้าถ้าแบบคนที่แบบว่าเฮ้ยเอาเอาคนนี่คนน่นคนนั้นในบนโลกนี้เนี่ยไม่พอมีจิบริลมีกะอิสราฟีนมีมาลาอิคาร์ด้วยเอาอะไรมากกว่านี้ละ มีอัลลอฮ์มีมาลายกามีน บ, บีรอซูลเนี่ยบางทีก็มีมูซาอิสซาด้วยนะทั้งหมดนี่แอบอ้างทั้งนั้นนะ่ะแอบอ้างพอคนดูแล้วอะนะไอเราเนี่ยมาคุณไยอ่านคุณอ่านก็แลว้วอะไรก็แล้วพอเรานี่ยนี่ไอัลลอฮ์มุฮัมมัดนี่ไงอบดุบากรของคุณคุณทั้งนั้นนะ่ะนี่ไนงะอิสลาหทั้งนั้นนะ่ะของแคร์ทั้งนั้นนะ่ะรู้ยังไงว่าของแคร์อะ อันนี้นีมีอัลลอฮุมหะมีบิสมิลลาฮุนะบิสมิลลาห์เนี่ยมาจากศาสนาทันั้นนะแต่รบรอบเนี่ยที่อันนี้น่ยมีสามเหลี่ยมมีตัวเลขนู่นตัวเลขนี่อันนี้เนี่ยคือรหัสรหัสที่คุยกับยินบังคับบัญชายินนี่น่ยมันเนื้อหามันอยู่ตรงนี้แล้วก็อัลลอฮุมหะมดอับดุลเบาะอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยหลอกลวงว่านี่เนี่ยมาจากศาสนา มาจากศา ส, ะสะนายิ่งถ้เป็นโตอิหมามนะหลอกทั้งตำบลหลอกกรรมาการอิสลามจังหวัดเลยนะแถวเพชรบุรีนี่มีคนชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปให้อิหมามทำเสน่ให้ผู้หญิงเนี่ยหลงผู้หญิงคนนี้ให้หลงกับผู้ชายคนนี้บังเอิญทำของเหมือนไม่ไมไมแม่นน่ะนะ ไปทำของใส่ผู้หญิงเนี่ย ผ, ผู้หญิงเนี่ยก็เลยมีอาการหนักอะอาการแบบไม่ใช่หลงอย่างเดียวคือหลงหลงดุนยาไปเลยเหรอคือผู้ใดไม่รู้เรื่องเลยไอคนที่ไปให้อิห ม, มั่มตัวอิหมั่มนี่ทําของเนี่ยเขาก็วุ่นเลยมันูตายตา ย, ตายคือผู้หญิงที่เขาเขาชอบนี่นะคือสติคือหินี่มันมันมาทําลายสติเลยทํายังไงอะ เไม่มีใครช่วยเขาไม่อยากจะไปหาอนั้นคือคือแค่ทำเสน่ห์นีม่มาถึงนี่แล้วไม่ไปอีกแล้วนะอ่ะก็เลยไปถามไปสารภาพกับญาติผู้หญิงเนี่ยผมผ ม, ผมนี่ทำเองแล้วมันเป็นนี้ทำยังไงผมก็รู้ต้องต้องแก่ไม่ก็าไปหาชิกี้า <c oughs> มาชิกี้พ <c oughs> คือพอพอไปรักษาแล้วเนี่ใช้เวลาหน่อย แล้วก็เนื่องจากว่าของนี่มันแกงกเนี่ยผู้หญิงก็เลยทรมานน่ะไอ้ไอ้ผู้ชายที่มันทําของตั้งแต่แรกเลยมันก็เลยสงสารผู้หญิงก็อยากจะรักษาให้มันง่ายๆก็เลยไปหาอิหมามอีกทีหนึ่งอิหมามอิหมามัสสิตจริงๆนะไปหาอิหมามีทีหนึ่งบอกว่าอิหมาเป็นยังไงแล้วก็เอ็นไปทําอะไรมาบอกว่าให้ชิคกี้โดนมารักษาไปบอกชิคกี้โดนไมของมันเสียหมดเนี่ย อันเนี้ยที่มาของวอลีครับว่าของเสียมาจากตรงนี้ทำให้ของเสียเพราะมันแก้ยากแล้วสิแก้ยากแล้วสิผู้หญิงนี่อ่านกูรอ่านซิกรุลลอาอัลการอัการิาาารยามจะจะทำเ ส, สาาน่หนทำอะไรนี่ไม่เวิร์กแล้วไปบอกเขทาทำไมไป่่บอกทไมมาถูกทางแล้วนี่แสดงว่าสิ่งที่ศาสนาได้สอนไว้จริงๆอ่ะนะนะมันจะไม่ตรงกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน แต่เรื่องนี้เนี่ยคนเนี่ยคือจะเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอานี่เอาอาซิมัตนเนี่ยไปใช้คนก็ไม่เชื่อ ง, ง่ายหรอกแต่ถ้ามีอัมมลลอฮ์มีมซูลมีมุฮัมมัดมีอะไรเงี้ยนี้อันนี้เขาแอบอ้างศาสนานแต่ศาสนาเอาด้วยไหมศา ส, สนาเห็นด้วยศา ส, สนาสัง่งสั่งอะไรมั้ยเปลาเลยนี่เป็นเรื่องกุประหลอกทั้งสิ้นคิดเอาความคิดของตัวเองมาเรื่องที่ตัวเองต้องการ แต่งบ้นเรื่องให้มันให้มันดูน่าเชื่อถือแล้วก็ไปขายกับชาวบ้านเคยเล่าให้พี่น้องฟังรายการรายกา ร, ราการรายการตอบปัญหาท า, ทางทีวีที่ประเทศอีกิเขาก็เอาอุลมาซัดนี่มาตอบก็มีผู้หญิงโทรมาบอกว่าจะถามอาจารย์หน่อยเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้ว สามีมีแล้วแต่ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาอยากได้ผู้ชายนี้เป็นสามีเขาก็เลยไปจ้างหมอดูคนหนึ่งให้ไปสามหมื่น 30, ปอนให้ผู้ชายคนเนี้หลงกับผู้หญิงพอหลงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ทําให้สามีคนเก่านี่หย่าเธอไปนะเขาก็ไปแต่งกับผู้ชายคนนี้แต่งแล้วอยู่กันสองปีได้นะแต่งแล้วอยู่สองปีมีลูกสองคน จนผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยมีครอบครัวเหมือนกันนะ่ะผู้ชยคนเนี้เขาไปหย่าผู้หญิงภรรยาคนเดิมของเขาแล้วก็มาแต่งกับผู้หญิงที่ทําของเนี่ยพอผ่านไปแล้วนสองปีนะผู้ชายคนนี้เนี่ยทิ้งไอ้ผู้หญิงที่ทําของเนี่ยแล้วก็กลับไปอยู่กับคนเดิมไอ้ผู้หญิงที่ทําของนี่ก็เลยไปหาหมอดูอีกครั้งบอกว่าช่วยฉันด้วยนี่สามีเนี่ยเขากลับไปอยู่กับ ภรรยาคนเดิมเขานี่ยเขาก็ใช่เพราะผมทำของให้เขาอันนี้เป็นบิสเนสเป็นเรื่องธรรมหากินอย่าว่ากันนะผู้หญิงนี่เขาเล่าเองนะแล้วเขาบอกว่าหมอในวโรก็จะช่วยได้นะทำเสน่หให้เ้ากลับมาอยู่กับเธอได้แต่ผมเรียกห้าหมื่นคือผู้หญิงที่เล่าดังนี้เ้าไม่ได้ถามเรื่องนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องนี้เ ข, เ, นเขาบอกกับอาจารย์ เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปกู้เงินดอกเบี้ยนี่เพื่อจะได้ไปทําของนี่แบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าฮาลาบบางคนบอกว่าฮารอมตกลงมันได้ไหมคือประเด็นไม่ใช่ว่าที่เขาไปทําของแล้วก็ทําให้บ้านเขาพังบ้านคนอื่นเขาพังแนละ้วประเด็นว่าจะเอาเงินที่กู้ด้วยดอกเบี้ยนี่ไปจะได้ไปทําของอีกรอบนึงเนี่ยมันจะได้ไหม อาจารย์ดย่ด้วยก็ที่เขาฟังแล้วก็แบบสะอึ้งนะคคือไม่เคยไม่รู้จะตอบยังไงสภาพของของสังคมเนี่ยมันถึงขนาดนี้แล้วนะบ้านเราก็ไม่ห่างกับเรื่องนี้ถ้ามีก็ได้ผมเองนะนี่ผมเองนะนี่ผมเองแล้วนะมาอยู่ที่นี้นะ ก็เคยมีคนมาถามว่าเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งจนหลงรักเขาละรักเขาแล้วแต่งงานกันด้วยแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวนี้มีครอบครัวและตัวผู้หญิงเองนี่นะเขาก็เตาบัดตัวเรียบร้อยเป็นคนเข่งศาสนาแล้วทุกอย่างก็ไม่ทำอะไรแล้วหึ่งชีวิหึอะไรแต่เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาเขาเขาบาปใจที่เขา ครอบัวที่เกิดขึ้นมานี่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการทําเสน่ใส่ผู้ชายคนหนึ่งให้หลงรักเขาก็เลยรู้สึกบาปอ่ะคําถามก็คือเขาต้องทําอะไรต้องบอกเขาไหมต้องบอกเขาตรงไปตรงมาไหมก็เล่าให้บอกว่ามันมีไงแบบนี้บ้านเรามันมีไงแต่คําตอบจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่ากันที่หลังเพราะมันไม่เกี่ยว ใครอยากจะรู้ก็หลังใหม่เขาไม่ได้ฟังอัลลอฮ์ไม่ได้ฟังภาคีหรอกรพวกาคีนี่เขาแน่นอนอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งแน่นอนภาคีก็มันชูรกาเนี่ยบรรดาจเจวิตที่เขาไปบูชาสักการะนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพูดสื่อส า, ารอะไรระหว่างเขากับอัลลอฮ์ได้ไอ้อัตบิอูนอิลลัลวันพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้นอิลลวนคาดคมันคาดคิดตั้งแต่ อัมรุอับุลฮุเป็นอัมรุอับดุลฮุยอัลคุซาอีเป็นเผาฮุซาคือในมักการจะมีสองเผาใหญ่ฮุซาและกับกูรชก่อนนี้กเรชเนี่ยจะมาปกครองมักการมีเผาฮุซาซึ่งอัมรุอับดุลฮุยอัลคุซาอีก่อนยุคของนบีสา0ร้อยปี หามรุนให้ลกคุซาเป็นคนหนึ่งจากเผ่าคุซานี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นเป็นคนใหญ่คนโตในมักก้านี่แหละแล้วเป็นนักธุรกิจไปทำธุรกิจเปอร์เซียไปทำธุรกิจที่โรมันไปที่ไหนเนี่ยเมืองหลวงเมืองใหญ่ของเขานี่ก็จะมีจเจวิตมีมีมีบรรดาจเจวิตตั้งมีรูปปั้นตั้งทุกที่เลยโ้ ของเรานี่ยเสียดายมีตะกาับามันไม่เท่เลยของเขานี่ไปเปอร์เซียนี่โอ้ทุกที่เลยไปโรมันยรูปเวตนี่เต็มไปหมดเลยรูปปั้นเนี่เต็มไปหมดเลยอาบูรุมนไหก็คิดว่าคิดว่าเอาเวตมาประดับประดากาบาับะคิดว่า มันจะทําให้เท่หน่อยทําให้ชาวมักกะที่เป็นอาหรับชนบทที่ไม่เจริญนี่นะพอเราทําเหมือนเปอร์เซียเหมือนโรมันเหมือนเมืองใหญ่หัวเมืองใหญ่ๆนี่เรามีแบบนี้นะ่ยนะเราจะเจริญน่ะขาดคิดทั้งนั้นนะ่ะเรื่องคิดน่ะคิดว่าอันนี้จะทําให้เจริญนะ่ะแต่แน่นอนเจเวิตที่มันอยู่ที่เปอร์เซียหรือทุโรมันนะี่นะมันมีพิธีกรรมไงพิธีกรรม เขาก็าเอามาหมดเลยทั้งพิธีกรรมทั้งทั้งตัวจเจวิเนี่ยมาแขวนที่กาบว่าอยู่ไปอยู่มานี่ก็เลยถูกสักการะตวาฟกาบมาทำหัดมาทำอมรทั้งทีแล้วเนี่ยเพือนะพ่อ Allah นะเพื่อ Allah เพราะอาณับนี่ทั้งแต่สมัยนบีอิบราฮีมยัน يم, ยถึงนบีมุฮัมมัดเขาจะใช้บ ร, รมฤึกิถึง Allah ขนะ ทำบิดีฮัดละอุมรานเหมือนที่เราใช้กันเนี่ยแต่จะเพิ่มหน่อยละเยกะลาหุมมะละเยละเยกะลาชริกะละกะละเย์ะเบยกะลาชริกะละกะละเบย์อันนี้เราใช้แต่เราจะพูดตออินนัลฮัมดวนเนาะมะตะละกะวัลมุลคลาชรกะละอีนนบีมเพิ่มทีหลังนะแต่ของระบตกนนน่ลยกลุมมะลย เราขอสวามีพักต่อพระองค์ท่านละชอรีกัละกาละไบกไม่มีภากีใดๆกับพระองค์ท่านอิลนานี่ที่เขาเพิ่มนะอิลลาชอรีกันตัมลิกูฮุอะมะมลักนอกจากพาคีพาคีนี่นะท่านก็ถือกรรมสิทธิ์ท่านก็ครอบครองเขาแต่เขาเนี่ยไม่ได้ครอบคร อ, องอะไรหมายถึงว่าอัลลอฮ์นี่ครอบครอง อัลลอฮ์ไดครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่นี่มีภาคีกับพระองค์ท่านด้ว ย, ยนี่ขณะที่ตวาตนะขณะที่กำลังสักการะเพื่ออัลลอฮ์นี้นะก็เลยแทรกเรื่องเชรีกในเรื่องเชริกไปว่าป็นหุ้นส่วนของผู้อื่นสิ่งอื่นมาอยู่กับอัลลอฮ์ในฐานะเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้อภิบาลอาราบนี่เชื่อว่าผู้สร้างนี่มีอัลลอ์อย่างเดียว จวเจวเหล่านี้เนไม่ได้สร้างอะไรหกอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแต่การเชื่อฟังนะทั้งนั้นที่มันไม่ได้สร้างนะเชื่อฟังบางสิ่งบางอย่างนี่แบ่งให้เจวเวิตเหล่านี้บ้างเช่นจะเดินทางไปทําธุรกิจเราดูปรึกษาจวเจวินี้หน่อยปรึกษาจวเจวิตนี้หน่อยให้คนที่ดูแลจวเจวินี้ให้ถามมันหน่อยถามยังไงอ่ะก็มีธนูสามดอกดอกนึงมีไป อีกดอกนึงมีอย่าไปและใครเขียนนะและใครเขียนในดอกนี้ใครเขียนเขียนกันเองดอกนึงมีไปดอกนึงบอกว่าอย่าไปอีกดอกนึงว่าเลือกใหม่ฉะนั้นเขาจะเอาธนูนี่แล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็ให้เลือกเธอเลือกว่าไปก็ให้ไปเธอเรียกว่าไม่ไปก็ไม่ไปแล้วเาอเลือกว่าเลือกใหม่ก็เอาใหม่ขย่าอีกทีหนึงแล้วก็เลือกใหม่ <laughs> พนันแม้กระทั่งในเรื่องอิบาดานผานันมีสิทธิในการเชื่อฟังถึงเวลาอิสลามมีมาเนแม้กระทั่งเรื่องนี้นี่นะจะปรึกษาเนี่ยต้นสิทธิของ Allah จึงมีละมัตอิสติฮาระแต่มีคนบางคน เ, น, น, เนี่ยเชื่อมาจากเนี้ยทายัางไงอะ มีคุณอานมไอมีคุอ่านบางคนเชื่อแบบนี้เนี่ยนะนี่ดูก่อนตอนกุณอานหน้าไหนกัใุรอานนี่คำไหนนี่ที่เจออันแรกเนี่ยถ้ามีความหมายอะไรเนี่ยอันนั้นแหะแสดงว่าอัลลอ์สัง่งเคยได้ินคนที่ทำแบบนี้นี่นี่อัลลอ์สั่งนี่เงียบังเออเน่บางคนบมกวาบางเออเนี่ยทุกครั้งที่เปิดเนี่ย มีคำตอบจริงๆใช่ดิมือมึงในตอนเปิดนะมือชชยตอนน่ะแล้วก็แอบอ้างกุรอานนะแอบอ้างกุรอานเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนนักเสแสร์ในเวลาเขียนอัลลอ์มุฮัมมัดเนี่เหมือนเลยแอบอ้งคุตั้นคือแค่เอากุตัานนี่มามาปรึกษานี่แสดงว่าใช่แล้วเหรอแสดงว่านี่ไม่ได้ปรึกษาเจวิไม่ได้ปรึกษาไพ่บางคนนี่ใช้ไพ่ใช่ไหมอุศิมนี่แคกรานี่แหละอุศิใช้ไพ่ บางคนเนี่ยกดด็ดูดวงดูดวงเดี๋ยวนี้มีแอปนันเนี่ยดูดวงเอมเอมเอมเมอเมเมื่อนี่มันหามันบาไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่านคุณอ่านนี่เนี่ยนี่ไงกุอ่านนี่เขาแนะนำแอบอางคุอ่านก็เหมือนตอกอ น, น, นก็แอบอางแอบอาศา ส, สนาเหมือนกันและเหมือนหมอาพามทำพิธี ทำพิธีไหว้เจ้าเจ้าถินเนื่องจากว่าเจ้าของที่เนี่ยเดิมมานะเป็นแขกเป็นอิสลามหมอภาพนีสั่งไว้เลยนะหัวหมูไม่เอานะแล้วต้องมีต๊ะและแบก๙คน มาอ่านหมดและอ่านครบนะอ่านยาซีนอ่านบอร์เรนจีสลวัตอะไรทุกอย่างนะและอย่าเอาหัวหมูนะ ด, ดีต้นระเ บ, บ้อเขาไม่มากันนะอ๋อไอที่มันบาปเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นพิธีอุตริกรรมเพราะมันไม่มีชีมันมีชีริสไม่เพราะไอ้ไปได้ไม่มีหัวหมูนี่แล้วทั้งหมดนี้มันมาจากอะไรคิดขาดคิดคิดคิดเอาเอง คิดอย่างเดียวก็มีโต๊ะอิหมามคนหนึ่งที่ไปทำบุญบุญเจ้าที่นี่แหละรากว่าอิหมามไปได้ไงมันมีทุกศาสนามาหมดเลยนะมีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธมีทั้งอะไรในลูกยุ่งอะไรกับเขานี่มันเป็นพิธีเจ้าที่ราะว่าไ ม, ม่เกี่ยวผมก็ไปผมก็สละวัตรของผมผมก็ขอดุอาจากขอพอรจากพระเจ้าของผมนี่ก็เป็นความคิดนี่ก็เป็นความคิด ความคิดทั้งนั้นน่ะก็แสดงว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันเป็นข้อแตกต่างเชื่อฟังความคิดของตัวเองหรือความคิดของสิ่งอื่นน่ะแล้วเอาไว้อยู่ไหนอ่ะไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยไปได้นี่มีตัวบทหลักฐานอะไรรองรับไม่ที่ทําเนี่ยเ่ออุตริกรรมทั้งนั้นนเรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยแหละการศาสนาทั้งนั้นมีตัวบทอะไรที่มารองรับที่พวกคุณกําลังทําอยู่ไม่มี แสดงว่าเราไม่ได้เชื่อฟังอัลลอ์เป็นความคิดส่วนตัวหรือเป็นกระแสในสังคมที่กดดันให้เราได้ทำเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ทำเหมือนบางคนนี่ปีหนึ่งก็ต้องทำบุญครั้งหนึ่งถามพี่น้องจริงๆทำบุญเนี่ยซื้อเคฟซีมาทำบุญได้ไหมไม่ได้เป็นบิดา ทำบุญเนี่ยต้องข้าวเหนียวเหลืองและไก่ย่างเป็นไก่เ f เีไม่ได้เป็นบิดา ah เคยเห็นใครบ้างอ่ะทำทำบุญไก่เ f เีเคยมีรเคยไม่ดีเคยได้ไม่มีขอให้เป็นคนทันสมัยขนาดไหนเป็นคนหัวัางขนาดไหนเนี่ยมันก็จบที่ไก่ย่างจบที่ข้าวเหนียวเหลืองเพราะอะไร แล้วที่แปลกนะครับนี่เฉพาะนี่นี่เฉพาะสยามและมาลายูนี่นะไอ้ข้าวเหนียวเหลืองเนี่ยกับข้าย่างอะนะทุกศาสนาเลยพูดก็มีแขกก็มีบังเอิญมนะทําไมต้องข้าวเหนียวอะแล้วทําไมต้องสีเหลืองอะทำไมเดีวนี้มันมีหลายสีนะข้าวเจ็ดสีนี่ก็มีสีเขียวนะ ลองไ ป, ไปสั่งทำบุญใส่เป็นข้าวสีเขียวอย่างนี้มันจะซะกไหมต้องสีเหลืองมันเป็นกระแสนิยมในสังคมมาจากอะไรความคิดทั้งนั้นนะ่ยเพราะนะมันไม่มีคนอ่านฮาริสบอกว่าทำบุญต้องสีเหลืองความคิดส่วนตัวทั้งนั้นนะ่ะแต่มั น, น, มนกลายเป็นความคิดที่มันเป็นพิธีพิธี ปูย่าตายายเนี่ยเขาสั่งให้ทำบุญทุกปีแล้วก็สวนหนึ่งเนะี่ยขาเหนียวกั่ ย, ย่าง น, นี่นะสวนหนึ่งนี่นะมันมีบ้านเล็กๆมันคล้ายๆสารพระภูมิแต่ไม่ใช่มันไม่เล็กเหมือนสารพระภูมิทั่วไปอะ่ะพ่อเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นมุสลิมมันมีบ้านเล็กๆ เ, กเกนี่ยอยู่มูนุ่นน่ะล่างๆอยู่ตรงนู้นน่ะทำบุญทุกครั้งนะนะก็ะต้องเอาเข้าวเหนียวเนี่ย เขาเนียวเอากก่ ย, ย่างนี่นะไปวางตรงนู้นทุกปีต้องทํานะห้ามขาดนะมีอู่ปีนึงไม่ได้ทําไม่ได้ทําบุญหรือทาแล้วก็ลืมเอาไปวางอะนะยินมาเล่นงานเลยเจ้าที่ที่เขาเรียกกันเจ้าที่นะที่เป็นยินนะที่เลี้ยงไว้แต่ไม่รู้ไงลูกหลานไม่รู้เรื่องนะปุยยะแตายายเลี้ยงยินไว้ ถวยเส้นว่า ย, ยินไว้แล้วไม่ได้บอกลูกหลานนะบอกแค่ลูกหลานบอกว่าให้ทําบุญนะให้ทําบุญนะแล้วทําบุญทาบุญเนี่ยเขาเข้าใจว่าทําบุญนี่หมายถึงว่าเชิญต้นระแบบเชิญคนมากินนะั่นนี่ทำบุญไงเนะ่ยให้คนกินนะ่ะแต่ให้ผีกินนะนะมันจะเป็นบุญได้ไงอนะ่ะอันนี้เขาบุญญาายาตยาสั่งไว้ไงเอาข้าวไปวางตรงนู้นลูกชายหลานชายคนหนึ่งไงนะ อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยหน้าตาดีสมองดีทุกอย่างดีวันดีคืนดีในการเป็นคนบ้ากลายเป็นคนบ้าเลยเขโทรมาทํายังไงยามันเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยบอกว่านี่อุ้ยอะไรเลียงอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เป็ ม, มาเอาละผมจะให้เวลาครึ่งชั่วโมงไปถามดูนะไปลองไปถามดูแล้วก็ค่อยมาตอบพอะส่วนมากเลยเวลาถามนี่ก็อันนี้แหละไม่มีไม่มีไม่มี แอปหนึ่งก็มา ห, าหมดโทรมาอีกครึ่งชั่วโมงโทรมาพะดีไปถามพี่สาวซึ่งเป็นมารดาเป็นแม่ของเด็กที่เป็นบ้าเลยเนี่ยเขาบอกว่ า, วาเนี่ยอุแย่แต่เขาสั่งให้ทำบุญทุกปีและปีนี้ไม่ได้ทำแต่เขายังไม่รู้นะว่าอาการของลูกนี่มาจากเรื่องนี้ยังไม่รู้บ้านเรานี่มุสลิมมานะ จำนวนน้อยที่จริงเนี่ยประชากรคนไทยเนี่ยน้อยแล้วเราอยู่บนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์แต่ก่อนนู้นนะชาวนานี่มีที่เป็นร้อยไร่โอ้โหครอบครัวแค่สิบคนยี่สิบคนนี่จะมาดูที่เป็นร้อยไร่นี่ยไม่ไหวหรอกต้องมีคนช่วยจะจ้างใครอะไม่ไหวจะจ้างทางํายังไงอะโอ้โหนี้อาซิมัดอันตุ๊ตตุ๊ตตจะทำบุญทุกปีนูรีทุกปีเนี่ยขาเหนียวไกอย่าง น, นิดนิดหน่อยนะเดี๋ยว ยินมันจะช่วยดูแลทำกันอย่างนี้จนกระทั่งกลายเป็นวิชานะตังครูไปเรียนต่างประเทศนะเอาวิชานี้มาด้วยแล้วมาสอนชาวบ้านโดยเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสั่งการยินให้มาช่วยมันไม่มีชริกเพราเขาจะว่าทำบุญแล้วก็ไปวางเนะี่ยข้าวแล้วก็ไปวางเนะี่ยบางสูตรนี่นะเขาบอกว่าไม่ต้องหุงข้าวแล้วก็เปิดฝาไว้ หุงข้าวแล้วเปิดฝาไว้เชา้ารุ่งวันนึ่งข้านี่หายเลยนะข้านี่หายเลยนะอะหลายสูเป็นแบบเนี้ยเลี้ยงยินไว้ปู่ยาตายาเนี่ก็ไปแล้วอยู่ในลูกเขาก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้เป็นเจ้านาเจ้าเจ้าสวนอะไรเนาะเป็นวิศวกรเป็นพนักงานเป็นอะไรเนี่ยแต่ยินนะี่ยนะที่มีกลิ่นของปู่ยะตายากินของบ้านนี่นะก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหน วันดีคืนดีเนี่ยยินก็มาเล่นงานและลูกหลานเนี่ยเขาไม่รู้อินูอิเนเออะไรเลย <c oughs> ชีริกนี่เนะี่ยผลลัพธ์ของชีริกเนี่ยนะนะไปถึงลูกหลานโดยที่เขาไม่รู้เลยก็ได้แล้วมันก็มันก็มาจากความคิดความคิดว่าเรื่องนี้มันมันน่าจะได้ วิธีแก้เรื่องนี้วิธีแก้เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเลิกทำบุญแล้วก็มุ่งมั่นในการอ่านคุรอ่านอ่านบอกราําอัสการ์ล้าง บ, าางบา้านล้างบ้านอาบน้ำไปพุซานี่ตามสูตรของสาระของอุลมามะที่เขาตั้งไว้แล้วมันจะหายอาจจะใช้เวลาแต่มันจะหายวิธีที่สองเร็ววิธีที่สองเร็วแปบ๊บเดียวกินกลัไปลว อีกม <supplemental> <stand ard S 2> ีอินไม่ยุ่งล่ะอยากรู้ไหมนะแต่มันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับกับศีลกี่เรื่องแล้วเนี่ยออกนอกเรื่องออกนอกเรื่องตลอดเลยถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันีกหลังนะเพราอยากจะได้อายะมากที่สุดจะได้จบวันนี้จะจบได้ไ้มไม่น่าจะได้อีกสักอายะหนึ่ง อยนะ <c oughs> ายะหกสิบเจ็ดนะท้าวข่าวนิดนึงเอาละมาว่าอำนาจมุสลิมต้องเชื่อนะมุสมินต้องเชื่อนะว่าอำนาจทั้งปวงนี่ของอัลลอฮ์นะและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธทิแท้จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์นะแต่ผู้ศรัทธานี่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยแน่นอนวิถีชีวิของเขาเนี่ยจะไม่มีภาคส่วนใดๆที่จะออกนอกกรอบที่อ AH ัลลอฮฺ سبحانه แลา تعالى กำห น, นดไว้ ชีวิตเราจะมีความมั่นคงถ้ายอยู่ภายใต้พระบัญชาของเราสภานวัตกรรมเหมือนคนตอนนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยทาตามกฎหมายตามระเบียบเป๊ะๆเลยไม่มีใครจะมาเล่นงานเราได้มีใครจะมายุ่งกับตำรวจจะไม่มายุ่งกับเราเจ้าหน้าที่ไม่มายุ่งกับเราหรอกทาอะไรไม่ได้ทําให้เป๊ะๆนี่คืออานาจของมนุษย์ที่วางไว้อะนะมีกฎหมายมีระเบียบทําตามกฎหมายตามระเบียบไม่มีใครมายุ่งเรามีความเชื่อแบบนี้เรามีความเชื่อแบบนี้ ทำอำนาจตามระเบียบมีใบขับขี่นีอะไรเนี่ยพอตำรวจจะมาอา่ะอีตอนเราไม่มีใบขับขีน่นี่ตำรวจมานี่เราใช้ใบแดงรู้จักใบแดงนะเราใช้ใบแดงแล้วใช้ใบแดงแับมีไห้ด้วยนะไ ม, ม่ใบขับขี่เพราะเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของเขาไงแต่พอมีใบขับขี่แล้วอ่ะนะ ผมเนี่เป็นแบบนั้นตอนไม่มีใบขับขี่เนี่ด่านเยอะเรียกบ่อยแต่ตอนมีใบขับขี่แล้วเนี่ยคือเวลาเจอด่านเนี่ยก็มุ่งพุ่งไปหาด่านเนี่ยให้มันให้มันเรียกให้มันสักทีหนึ่งถ้ามันขอดูใบขับขี่นี่ยนี่ไงนิ่งนงนี่ไงใบขับขี่ใช่มหมเพราะก็เราก้าอะเลยเนะี่ยตรงระเบียบตรงกฎหมายทุกอย่างนี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี่มนุษย์เนี่ยอำนาจของมนุษย์ระเบียบของมนุษย์ วางกันเองบอกว่าเป็นไปตามระเบียบที่เราวางไว้อะนะไม่มีใครจะมายุพอเราจะบอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าเป็นไปตามพระประสงค์พระบัญชาของอัลลอสิชีวิตของเราทำอะไรนี่คำหนึ่งถึงหลักการศาสนาทำอะไรคำหนึ่งถึงคำสั่งสอนของอัลลอฮฺเรละซูิมันจะแปลกตรงไหนอ่ะแต่มันรคขาเครื่องบางคนอีกละอีกละอะไรอะไรก็อัลลอฮฺซูอีกละอีกละ มันไม่แปลกเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ตามน้ำเงี้ยตามกฎหมายมันดูไม่แปลกไง m ม็ e s e n จริงๆนะ่ะแต่พรเราบอกว่าให้ทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามอัลลอฮ์ตามมุสโสเนะ <c oughs> อะไรอะไรอะไรต่ออัลลอฮ์มุสโสอะไร Allah, อไรัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อฟังกิตาบัลลอฮ์นะซุนนะนี่ทําไมมันจะค้ายเครืองแหละในเมื่อเราเป็นผูน้ศรัทธาและเชื่อว่าอํานาจที่แท้จริงในชีวิตของมุสศรัทาทั้งหมดนี้อยู่ที่อัลลอฮ์มันไม่แปลกนะมันไม่แปลกนะถ้าเราถ้าเรามาทบทวนชีวิตของเราทุกอย่างเลย เราทําอะไรอ่ะเราจะเล่นเราจะทํางานทํามหากินเราจะเดินห้างเราจะไปเที่ยวพยายามหาคําตอบให้ได้ว่าทุกสิ่งที่เราทํานี่นะทำอย่าให้มันขัดกับคําสั่งของอัลลอฮฺเราสุดแค่นั้นอะ่ะมันไม่แปลกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราทําเพราะมีข้ออ้างว่า Allah อัลลอฮฺอนย่าที่ทำอัลละฮฺสั่งให้ทําเราสูลอนย่าที่ทำเราสุดสั่งให้ทําสุฟ ья นัศเซวรี ชาวสลักท่านหนึ Nowadays, ่งเรีนเป็นอาจารย์ของอิมัดนักรียนการฮีริซิมเซียงท่านเด้บอกว่าอิดตตะตาอติดตตะตาอัลละตฮกะรัสก์อ ب ลล์บิดาลีลินาสามารถทาได้นะคาว่าถ้าสามารถนี่หมายถึงว่ามันอาจจะทาไม่ได้แต่ถ้าท่านสามารถทาได้อะนะถ้าจะเกานะ เกาศีรษะนีขันใช่ไหมขันก็จะเกา่าถ้าอยากจะเกาเนี่ยถึงขั้นบีจะต้องมีหลักฐานว่าให้เกาได้นี่นะถ้าทําได้นะก็ทําทเถอะยกตัวอย่างเรื่องเกาศีรานี่นะเพราะมันเป็นเรื่องเล็กมากเล็กเขาจะอะไรจะต้องมาหาหลักฐานว่าเกาได้ที่จริงในมันมีหลักฐานนะเกานี่เกาศีรษะเกาหัวนี่มันเกาจะมีหลักฐานนะ่ะ รู Ugh, ้ไหมหลักฐานที่เกากันนี่รู้ไหมไม่รู้ใช um, ่ไหมก็เกากันอย่างนั้นน่ะนะมีหลักฐานอยฐานนเป็นไรใช่ไหมเกาไปเะเขานี่มีหลักฐานอยากจะรู้ไหมแต่มันนอกเรื่องน่ะคุู้ชถ้าถึงขนาดที่เกานี่ต้องมีหลักฐานนั่นเรื่องเล็กแบบนี้ต้องเป็นแล้วแตเรื่องใหญ่ละจะกู้แบงค์ธนาคารจะทําประกันจะอะไรแล้วแต่แบบนี้ไม่ต้องมีหลักฐานเลยใช่ไหม จะทำนู่นจะทำนี่อะไรตัวมีอะไ ร, ะไรที่มันที่มันใหญ่โตในชีวิตของเราแล้วไม่ได้ถามว่ามันบาปไม่บาปแต่าาก็อยากอยากทไถไปไถามานี่ไอโซเชียลนี่ติก๊กต็อกนี่นะี่ยไถไปไถมามันชวนซื้อหมดสิ่งอาอะไรตัวมีอะไ ร, ะไรซื้อไปแล้วประกันอย่างหนึ่งซื้อไปแล้วทำอะไรไปแล้วพอเจอปัญหาเสร็จแล้วเนะ่เรียบร้อยปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะอาจารย์ ตกลงมันทำได้ไหมตกลงมันทำได้ไหมคือทำไปแล้วไงทำไปแล้วซึ่งมันมันิดต ก, กะถ้าหากว่าศาสนาสำคัญจริงๆในจิตสำนึกของท่านนี่นะต้องถามก่อนที่จะไปทาก่อนนี่จะไปซื้อถามคนสิศึกษากอนสิ่คยไปทำมาจะทำแล้วแล้วเจอปัญหาจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้น อัลลอฮ์ยลยยกตัวอย่างในสิ่งที่อัลล์ให้กับพวกเราเป็นเนย้มาเป็นความโปรดปรานที่ทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความราบรื่นมีความอุ่นใจมีความสบายใจนั่นคือกลางวันและกลางคืนวันทีจะล่าละกุมุลเลียเลทสกุลูฟีวันนะฮารมุบุรเพราะองค์ผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้พักผ่อนลิตัสกุณูฟีอลลอให้มีกลางคืนจะได้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนให้พระก่อนในนั้นน่ะคือในกลางคืนและกลางวันและพระองค์ได้บันดาลกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นกลางคืนไว้พักผ่อนกลางวันไว้มองเห็นในกุดอ่านนี่มี มีสักสองอายะคล้ายๆเนี้ยสุรศรัสรสุรโกฟิรมีคาเนี้ยวันน่าฮาเราโมบุิรอมีกลางวันเนี้ยไว้ไว้มองเห็นคาว่ากลางคืนมีไวพพ้พัะผ่อนอันนี้เข้าใจง่ายแต่มีกลางวันไว้วันนาฮารอาลัลลอฮฺบอกว่าตัวกลางวันนี่โบุิรอกลางวันเนี่ ย, ม, นนยมองเห็น แต่นั้นไม่ได้หมายว่าตัวกลางวันที่มันจะมองเห็นแต่หมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการมองเห็นชัดๆถึงขนาดที่ถ้าไม่ใช่เวลากลางวันนะ่ะนะมีดวงตาทั้งทีน่ะนะมองเห็นไหมก็มองไม่เห็นถ้าไม่มีไฟนะถ้าไม่มีไฟที่เราได้สร้างขึ้นมาก็มองไม่เห็นเท่ากับตัวกลางวันเองเนี่ย ก็หมายถึงว่าเวลากลางวันที่มีดวงอาทิตย์นี่นะมันเสมือนเป็นดวงตาของเราเองเพราะถ้ามีกลางวันก็มองไม่เห็นมีตาตาเนี่ยก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ไม่บอดไม่อะไรเลยนะแต่ช่วงกลางคืนน่ ะ, ะช่วงกลางคืนมืดไม่มีไฟมอะไรมองเห็นว่ามีตาเหมือนกันนะ่ะแต่มอาเห็นไหมมองไม่เห็นแต่กลางวันเนี่ยปรากฏว่าเออตานี่มันมองเห็นได้ Allah ก็เลยให้ฉายาตัวกลางวันในเวลากลางวันเน่ยเสมือนเป็นดวงตาของเราวันฮะเราโมบูซึ่งจะได้เห็นคุณค่าของกลางวันและจะได้รู้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ดวงตาในกิจการในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยตานี่นะเช่นอา่อานอ่านหนังสืออะไรกลางวันโอ้เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วยังไงก็นี่งมีไฟมีไฟฟ้ามีอะไรนี่ไม่ต้องมีกังวันก็ได้ในกลางคืนเนี่ยเราก็ได้ทาได้ทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ใช้ได้เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว ตอนที่โลกนี่มีพลังงานเยอะแยะเลยมีน้ํามันมีแก๊สมีอะไรนี่มาปั่นไฟฟ้าขึ้นมาไฟฟ้านี่มันทดแทนพลังงานของกลางวันสามารถเปิดไฟกลางคืนเนี่ยสว่างงี้กลาวันกลางวันอีกแต่พอเริ่มมนุษย์เนี่ยเริ่มฉลาดมากขึ้นใช่ดิพรมนุษย์เนี่ยมาอยู่ดีๆฉลาดฉลาดเองนะมนุษย์มีจะต้องศึกษาจะได้ฉลาดตา้นพอตอนที่มนุษย์ ได้ประดิษฐ์ไฟฟ้าครั้งแรกเนี่ยอดิสันนะ่ะนะโอ้มนุษย์ฉลาดจังพอใช้ไฟกันเกินเลยทั่วโลกกันในะช้ไฟกันใช้พลังงานกันจนสุดท้ายนี่มนุษย์นี่ได้เก็ตนะว่พลังงานมันก็มีวันที่จะหมดนะน้ำมันแก๊สอะไรตัวนี้อะไ ร, ม, ะไรมันก็มีวันที่ต้องหมดนะแต่มีอะไรที่ไม่หมดล่ะกังวนนี่แหละมีอะไรที่ไม่หมด ดวงอาทิตย์น่ะแสงอาทิตย์นี่มันอยู่ได้ตลอดปรากฏว่าตอนนี้นี่นะก็เป็นกระแสว่าเราจะมาเอาพลังงานช่วงกลางวันนี่แหละจะได้ไปใช้ช่วงกลางคืนสรุปแล้วกลางวันนี่มันไม่ได้เป็นเสมือนดวงตาที่ใช้มองอย่างเดียวช่วงกลางวันเน่ไม่ถ้าจะมองช่วงกลางคืนนี่นะก็ต้องอาศัยพลังงานจากช่วงกลางวันเหมือนกัน แต่มันมีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับอายันนี้ที่มีคล้ายๆอันนี้แหละอายนใะนกุตตานะว่าเรื่องกลางคืนเนี่เป็นชว่วงเวลาพักผ่อนเรัตันนะบะวา่ลลายานันลยละลิบาสากลางคืนเนี่เป็นเสมือนเป็นเครื่องนุ่งห่มมันจะได้ปกปิดกลางคืนไว้ปกปิดไม่ใช่ไปเพลิ่านตามเพราะ ผับตามบารตามถนนเพ่นพ่านต้องต้องปกปิดต้องคุมตัวเองต้องต้องเก็บเก็บเก็บตัวเองเก็บอยู่ในบ้านเก็บเก็เข้าบ้านพติกรรมพฤติกรรมของมนุษย์นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมของของสัตว์ที่มีความปกติอย่างสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สัตว์ที่มันมีสัตว์ที่มันไม่เป็นภัยกับใครอ่ะ มันก็จะทำหากินกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็เก็บตัวถ้ามีตัสัพว์ดุร้ายต่างหากมันทำงานตอนไหนอะกลางคืนงูมันจะออกช่วงไหนอะงูขังขาวพวกแมลงแมงอันตรายทั้งหลายเนกลางคืนมันจะไปหาเหยื่อหาเหยื่อกลางคืนฉนั้นรู้ได้เลยนะครับ คนออกนอกบ้านในช่วงตีหนึ่งตีสองเทีย่ยงคืนรู้ได้เลยมันเป็นประเภทสัตว์ไหนนีมันเป็นมูหรือเป็นค้างคาวหรือเป็นสัตว์โดตัวไหนเอ่ยแล้วมันจะไปหาเหยื่อตรงไหนมันไม่ใช่พฤติกรรมของมนุษย์เลยที่กลางคืนจะต้องไปเพ่นพา น, นูา่นอยู่บ้านอยู่บ้านวัลเลียซ า, ากะไปทุกข์นัน บ, บอก ให้บ้านมีความกว้างขวางเพียงพอสําหรับเจ้าจะได้อยู่บ้างบางคนบอกว่าบานน้บานนี้สําหรับเพศสตรีอย่างเดียวบางคนบอกว่าบ้านนี่บ้านนี้สําหรับเพศสตรีผู้หญิงอย่างเดียวอยู่บ้านผู้หญิงอยู่บ้านอย่างเดียวผู้ชายอยู่ไหนต้องอยู่นอกบ้านผู้ชายต้องอยู่นอกบ้านเป็นประเพณีบ้านเราเนี่ยเป็นประเพณีนอกบ้านเนี่ยต้องมีอะไร ที่นั่งนอกบ้านน่ะนะเออคล้ายๆโซฟาอะไรเงี้ยนะนอกบ้า น, นะ อ, อ, อ, อ, อะออะไรน่อะไรน่ที่ที่นั่งน่ะล่ะของปากีเขาก็มีของไทยก็มีอก็มีมีที่นั่งนอกบ้านน่ะน <c> ะ <oughs> ที่นั่งนอกบ้านนี่น่ข้างนอกนี่ผู้ชายผู้ชายนั่งผู้หญิงอยู่ในบ้าน จริง ต, ตามหลักการศาสนอิสลามตามวัฒนธรรมอิสลาม嘛นะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนี่อยู่ในบ้านนี่แหละครอบครัวนี่ต้องมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันในบ้านไม่ใชผู้ชายอยู่นอกร้านกาแฟนี่มีไว้ทำไมทำไมให้ใครนั่งเวลามีผู้หญิงมาร้านมานั่งร้านน้ชาชาากาแฟแปลกว่ะมาทำอะไร เออแต่วิาลาผู้หญิงมานั่งร้านน้ำชาก็่ทำอะไรทำไมยา น, น้นำชา ก, กะแฟนี่สำหรับผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวใครใครอาวุธอะไรแบบนี้มาสอนนะสุดท้ายนี่บ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงซึ่งกระแสะแห่งความอบอุ่น ที่ต้องมาจากผู้ชายนะมันก็จะขาดไปจากบ้านมีแต่กระแสของผู้หญิงผู้หญิงก็จะเลี้ยงลูกลูกจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายนะกับผู้หญิงต้องเลี้ยงอยู่คนเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกไม่ได้ไม่ได้อยู่กับลูกเลยปัญหาเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นคือหมายจะไปดีหมาไม่ด้หมาถึงว่าผู้ชายอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนเนไม่ใช่หมายถึง หมายถึงว่าจะมีเวลาว่างเนี่ยก็อยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับลูกคุกคีกับลูกโดยเฉพามีเวลาว่างเนี่ยออกไปข้างนอกไปกินชาไปหาไปร้านกาแฟไปร้านน้ําชาไปไปนั่งกับเพื่อนไปสูบบุหรี่กับเพื่อนไปอะไรกับเพื่อนมันเป็นเป็นเป็นการีตนี่ใช่จะละละคุมุลเละละลิตสกุฟมันจะได้เกิดความสงบในอย่างที่เลาได้บอกพักผ่อนและสงบเนี่ย ทุกคนสมาชิกทุกคนในครอบครัวสงบโดยการนอนหลับโดยการพูดคุยโดยการหยอกล้อเล่นโดยการโดยการปรึกษาหารือกันนีทั้งหมดนี่มันจะสร้างมันจะสร้างความอบอุ่นและความสงบแต่สกูลู ส, สกูลีคือสงบไม่ใีพักผอนอย่างเดียวนะสะกีหน้าเนี่ยสกีหน้านกลางคืน และเป็นสิ่งที่น่าทึ่งว่าร่างกายของเรานี่จะมีโฮอร์โมนหลายตัวที่จะบำรุงปรับปรุงบริหารร่างกายเอาไวะภายในของเรานี่หลายตัวนะที่หลั่งไหลเฉพาะกลางคืนเฉพาะตอนที่เรานอนหลับแต่ถ้าหากว่าเราได้เปลี่ยน่ะสมมุติว่าเาไม่นอนแล้วกลางคืนจะมานอนกลางวัน เล่นกัลางคืนแล้วก็มานอนกลางวันอ่ะพอนอนกลางวันแล้วเนี่ยไอ้ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันไม่หลั่งกลางวันขอให้นอนหลับมันก็ไม่มันก็ไม่หลั่งมันก็ไม่ทํางานมันต้องทํางานช่วงกลางคืนและตอนนอนหลับด้วยฉะนั้นเป็นสิ่งที่องลัทธิพานนวราชล่ะวางระบบไว้ระบบระบบความปกติสุขของมนุษย์เนี่ยแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะให้เราได้เป็นแบบนั้นเนี่ยอามานี้เนี่ย ที่เราเห็นว่ามันสอดคล้องกับธรรมชาติที่เราได้พบเจอในโลกใบนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ย Allah เป็นผู้ทําจาระหัวละดีจาละอัลลอฮ์เป็นผู้ทําถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนี่นะเราก็ต้องคํานึงสินี่ขนาดเรื่องธรรมชาติวิถีชีวิตการนอนการหลับพักผรอนธรรมหากินของเรานี่มาจากการกําหนดเลาะอัลลอฮ์ได้สั่งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ กลางวันและกลางคืนเนี่ยให้มันโคจรและเกิดขึ้นตามระบบแบบนีเน้เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นแบบนี้พระเจ้าแบบนี้มีอํานาจแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ยอมให้พระองค์เนี่ยมาดูแลรายละเอียดในชีวิตอื่นๆได้ไงกาเราดูแลเรานี่ขนาดกลางวันและกลางคืนจะนอนยังไงจะพักผ่อนยังไงทํำเองอทํามากินตอนไหนนี่อัลลอฮ์วางระบบให้แล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าได้นะแต่อันนี้อย่า ก, กินหนะ้าเล่าเองอย่า ก, กินหนะ้าอันนี้ สิ่งที่มันทําลายสมองอย่า ก, กินนะเอ้ยทำไมเรื่องนี้ศา ส, สนาเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวสิมันเนื้อเดียวกันเลยถ้าเรายอมรับแล้วนี่ว่ากลางวันเป็นแบบนี้กลางคืนเป็นแบบนี้ดวงอาทิตย์แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติเห็นเรามันงดงามที่สุดแล้วเรายอมรับไม่เคยขัดค้านไม่เคยมีใครบอกว่าเฮ้ยดวงอาทิตย์มันมาตรงนี้ทําไมถึงมาให้มาตรงนี้ hey ดวงจันทร์นี่ไม่ค่อยสวยนี่ถ้ามันต่ําหน่อยนี่มันจะสวย เรไม่เคยคิดจะคัดค้านธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้เลยแต่รายละเอียดของวิถีชีวิตของเรานี่มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นถ้าอัลลอฮ์สั่งอะไรมาเนี่ยเไม่ต้องคัดค้านสิครับอัลลอฮ์สั่งมาแล้วมีคําสั่งจากพระเจ้าแล้วถ้าเรายอมรับว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกแบบให้เราได้มีชีวิตอย่างผาสุกเลยนี่นะถ้ามีคําสั่งในคัมภีร์คําสั่งที่ผ่านศาสนาทูตเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับ เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกลางวันและกลางคืนนี่นะความสวยงามและความเมกเซนของมันมันเป็นเรื่องที่เราได้รับรู้มาจากกุรานธรรมชาติเนี่ยเราเห็นเราเห็นกัางวันเห็นกัางคืนเห็นแต่การที่เรารู้คุณค่าของกลางวันและกลางคืนอันที่จะนามาเป็นเหตุผลให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องกลางวันและกลางคื น, นอันนี้ตัวบท ข้าว่าเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอินนั้นใน ذلك آيات ที่คนย่อมจะได้ยินถ้าที่นี่คันนั้นการที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามีกลางวันและกลางคืนในทําแบบนี้ทําแบบโน้นนะนะในการนั้นนะแนนนะแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนที่ได้ยินเพื่อใขค้ควรได้ยินนะอ้าวไม่ใช่ดูในการนั้นนะไม่ใช่เรื่องที่สัญญาณให้ผู้ชนได้ดูได้เห็นเห็นกลางวันและกลางคืนไงไม่ใช่ คือเราเห็นกลางวันและกลางคืนแต่การที่จะรู้ว่ากลางวันและกลางคืนนี่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นวางเป็นผู้วางระบบและการที่อัลลอฮ์วางระบบนี้เนี่ยย่อมเป็นเหตุผลให้พวกเราเชื่อฟังอัลลอฮ์ในเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ใช่เรื่องกลางวันและกลางคืนเพราะในเมื่อกลางวันและกลางคืนนี่มันสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายของเราที่ปฏิเสธไม่ได้กลางคืนคนส่วนมากในโลกนี้เนี่ยเขานอนหรือทํางานขอนอนกันน่ะมันเป็นความต้องการ ในสรีระของเรานี่พอกลางคืนแล้วค่ำแล้วเนี่ยง่วงพอเช้าตู่แล้ววะนะไม่อยากจะนอนละลุกขึ้นสดชื่นอยากจะทํางานแล้วนี่มันมันสิ่งที่อัลลอ์บอกนี่มันสอดคล้องกับธรรมชาติที่เราพบเจอในร่างกายคนไม่ต้องพิสูจน์นะแต่อัลลอฮ์มาบอกว่านี่ไงสิ่งที่ฉันให้มานี่มันสอดคล้องใช่ไหมดังนั้นพวกท่านจงเชื่อฟังอำนาจของข้า สิ่งที่ข้าได้สั่งไว้เนี่ยเื่องอื่นนะไม่ใช่กลางวันและกลางคืนแล้วนะื่ออื่นแล้วนะต้องเชื่อฟังเหมือนกันอัลลบอกว่านี่แหละคือสัญญาสําหรับคนที่ได้ยินได้ยินอะไรอ่ะได้ยินนี่นี่ได้ยินคําสั่งได้ยินบทบัญญัติอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่อุบซุรูนไม่ได้บอกว่ามูชนที่มองเห็นกลางวันและกลางคืนเพรามองเห็นกลางวันและกลางคืนเนี่โอ้โหในโลกนี้เนี่ยคนที่ดูกลางวันและกลางคืนเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้ทําให้เขาศรัทธาสักที แต่การที่จะศรัทธาแล้วก็ให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นสัญญาณจะได้สวามิภักดิ์ต่อ a า l a h อย่างครบถ้วนต้องต้องศึกษาในสุรุลฟุร์กานอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวะลล์ดีจ้าอัลเลียล์วะอันนาาระขิลเฟตันเลบรุ่งผู้ทาให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยสลับเปลี่ยนกัน สลับมุนหมุนเย็นกันดกังวันดกลงคืนมากลางคืนไปกลงวันมากลางวันไปกังคืนมาขิล乏ทันสำหรับใครเลยมันอราดเอยะจักกะเอาอราดชูกรสําหรับคนที่อยากจะรําลึกและขอบคุณการสลับเปลี่ยนของกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันชวนคิดมันชวนที่จะคิดและรําลึกเนี่ยยจักกะชวนคิดแต่การที่จะคิด และก็ได้ผลสรุปว่าเฮ้ยมีกลางวันและกลางคืนใครอะไรทํากลางวันและกลางคืนอ๋ออยางอล์บอกไงผู้ที่ทําให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยมีระบบแบบนี้และถ้าเราศึกษาลึกซึ้งไปกว่านั้นกลางวันมันมายังไงกลางคืนมันเป็นยังไงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นี่มันมันโคจรกันยังไงถ้าเราศึกษาลึกไปกว่านั้นน่ะในกุณอานเราก็จะมีจะพบสัญญาณบางอย่างพูดถึงเรื่องระบบโคจรเนี่ยที่ทําให้เราเชื่อเหลือเกินว่า สร้างระบบจักรวาลเนี่ยเพื่อให้เกิดกลางวันและกลางคืนเพื่อสนองวิถีชีวิตของมนุษย์นี่นะรำลึกถึงอ่อลน้อมแบบนี้นี่นะมันต้องได้ผลทันทีว่าพระเจ้าที่เรากําลังเคารพสักการะนี่คือสมควรแก่การเป็นพระเจ้าอํานาจที่เราพูดที่เราใช้คำว่าอํานาจล้นฟ้าคือไม่มีอํานาจจะเหนือกว่าอํานาจของผู้สร้างแล้ว วิถีชีวิตของเรานี่อัลลอฮ์เห็นใจแล้วเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไงอัลลอฮ์สร้างร่างกายรู้ว่าร่างกายของเราต้องการอะไรรู้เอาอวัยว่าของเราต้องการอัอฮ์เขวางระบบจักรวาลทั้งหมดนี้นะมันจะได้ตอบโจทย์ร่างกายของเรามันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ล่ะสมควรแก่การที่ยอมในอำนาจของพระองค์สาดุดีและเคารพภักดีและจงรัก พักดีต่อคำสั่งทุกประการที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลและจะคิดจะมาตั้งพาคีใดๆถึงแม้ว่าพาคีนั้นที่ถูกอ้างเนี่ยเป็นพาคีที่ถูกอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเช่นเอ็นบุตเหมือนพวกคริสซึซ่งตอนนั้นในคาบสมุทรอาหรับเนี่เขาก็รู้ดีว่าความเชื่อของของคริสที่ถูกบิดเบือนเนี่ย มีพระเจา้ามีพระบิดามีพระบุตรมีพระจิตอาหรับนี้ก็รู้เรื่องนี้แล้วก็มีชาวคริสต์ที่จะมาเผยแพร่ในข้ามสมุทรนี้ก็มีเหมือนกันอาหรับนี้ก็เข้าใจในเรื่องนี้เก็ตในเรื่องนี้กุรานก็เอาตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นนะ่ะนะยูนัสเนี่เป็นซุรมักเกียณนบีนยังอยู่ที่มักการ์นะยังนบียังไม่ได้ไปมดีนายัางไม่ได้ไปชิตเมืองไหนะยังไม่ได้ไปคุกขีกับโรมนันกับชาวคริสตเลยนะ แต่มันเป็นความเชื่ออันเป็นอิทธิพลที่มาจากมาจากคริสจากการค้าขายของอารับอารบไ ป, ไปประเทศค้าขายก็ได้ความคิดนี้มาก็ยกตัวอย่างนี้เลยเรื่องการที่มีภากีเป็นพระบุตรเป็นบุตรเป็นลูกของอัลลอฮ์เหมือนที่เหมือนที่คริสเขาเชื่อนะมันก็ไม่เป็นเหตุผลซึ่ ง, งอายะห์หกสิบแปดก็จะพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีเวลาแล้วนะครับต้อง ยกยอดไปอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลลอถ้ามีเวลาจึงฝากไว้กับพี่น้องเพียท่านี้นะครับมอวลานบุวะอลัลมอาหลักฐานว่าเกาหัวนี่มีหลักฐานไม่หลักฐานก็คือไม่มีหลักฐานห้ามหลักฐานต่เวลาเขาถามว่ากาหัวนี่มีหลักฐานไหมคือไม่มีหลักฐานห้ามในเกาหัวาการกระทำของเรานี่อยู่ระวังสงหลักฐานให้ทาอันนี้ต้องมีหลักฐานแน่นอนให้ทำ แต่ถ้าไม่มีหลักฐานว่าให้ทําหรือไม่ทำมานะแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทําได้และละครั้งมันนีคืออะไรคือไม่มีหลักฐานห้ามการของการที่ทำของใส่และตอหมัด ว, วิธีที่วั ย, ยไม่เป็นเกอ่านี้สง่งวิธีไวัยที่สุดในการอในการในการไม่ให้ไอ ห, หินที่เลี้ยงไว้เนี่ยที่ปุยยะแต่เขาเลี้ยงไว้นี่ไม่ให้มายุ่งใช่ไหม วิธีไวที่สุดนี่ก็คือไปให้ไปให้หมอไปให้หมอทำของทับอันนี้ไวที่สุดไว้ก็ไวไงแจะไม่ถูกแต่ไวคือเขาต้องไปหาหมอที่วิชาของเขานี่นะแรงกว่ามีอำนาจของยินยินที่รับใช้เขานี่นะแรงกว่ายินที่มันอยู่ในบ้านนั้น ถ้าเผลอไปหาหมอติ้งต้องอะ่ะยินติ้งต้องอ่ะนะแล้วก็ยินของหมอนี่ไปเจอกับยินเจ้าถินในบ้านนั้นน่นะที่เขาเลี้ยงไว้นี่นะสู้ไม่ได้นี่นะเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นเขาจะดูอิทธิฤทธิทธิฤทธิ์ของยินที่ปูุยอะไรเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้เนี่ยถ้าอิทธิฤทธิ์แรงกันนั่นก็ต้องไปหาหมอแรงหน่อยพันสองพันนี่เขาก็ทําได้แต่ก็ต้องศาสนาต้องปะปนกับศิริกอาจจะ มีสิทตกศาสนาเนื่องจากว่าไปหาหมอเนี่ยเก็ต้องมีของเส้นไหว้ทําศิลิกอะไรต่างๆแล้วอีกเรื่องอะไรน ะ, อ, ะรอ่าที่ที่ที่ไม่ใช่ที่เขาถามว่าเออทําิลิกใส่ใส่ผู้ชาคนนั้นนะ่ะแล้วเขามาถามว่าต้องบอกไหมผมก็บอกว่าถ้าเตาบัดตัวแล้วทั้งหมดแล้วแล้วก็ชีวิต ของเราทั้งสองคนทั้งคู่เนี่ยทั้งสามีภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยปราศจากการทำชริกหรืออุตริกรรมหรือเรื่องที่มันผิดหลักการศาสนานี้ก็ไม่ถูกบอกหวังว่าเลาจะจะให้อภัยนี้คือคาตอบที่ใกล้เคียงที่สุดข้าพา